การปฏิบัติธรรมนี่นะทุกคนต้องเข้าใจเลยว่าความคิดต้องน้อยลงถึงจะเป็นทางแห่งความเจริญขึ้นมาได้ถ้าเราปฏิบัติเดินแล้วเราก็ฟุ้งซ่านตลอดทางเลยนะไม่ได้อะไรเลยไม่เจริญด้วยมีหน้าที่คือว่ามันไม่เกี่ยวกวับเราว่าต้องการหรือไม่ต้องการเราชอบหรือไม่ชอบต้องการหายใจ ไม่ต้องการหายใจชอบหายใจไม่ชอบหายใจมีและไม่มีมันต้องหายใจมันมีหน้าที่ร่างกายมีหน้าที่ต้องหายใจไม่เกี่ยวกับเราชอบหรือไม่ชอบมันมันหายใจทั้งวันมันไม่เหนื่อยเลยนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับชอบไม่ชอบมันเป็นหน้าที่ร่างกายมีหน้าที่ตับไตไส้พุิต้องทํางานใช่ไหมไม่เกี่ยวกับว่าเราจะชอบไม่ชอบมันจะชอบไม่ชอบมันต้องทํามันต้องทํางานตลอดเวลามันได้เหนื่อยด้วยคือถ้าเราต้องการเราจะมีไม่ต้องการ ถ้าเราอยากจะเดินเราจะมีไม่อยากจะเดินแต่ถ้าเราทำเป็นหน้าที่ไม่มีอย่างที่สอนต้องทำเป็นหน้าที่เรามีหน้าที่ต้องทำต้องเดินอันนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของการเกิดมาเรามีหน้าที่ต้องเดินนี่ใชมันมเรามีหน้าที่ต้องกินข้าวบางทีเราไม่หินเราก็ต้องกินนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำตอนนี้เราก็ไม่ทำมีหน้าที่ต้องทาจะชอบไม่ชอบอันนี้ไม่เกี่ยวต้องทา คือผมจะพูดตลอดว่าหน้าที่กับวินัยอันนี้เป็นคําศัพท์สิทธิ์คนเราถ้าไม่มีหน้าที่ไม่มีวินัยเราเป็นคนไม่ได้ชีวิตเราจะอยู่ในไหลไปตามกิเลสอย่างเดียวเราอยากปฏิบัติธรรมเราก็ไปปฏิบัติธรรมเราอยู่ภายใต้ความอยากอีกทิหงเพราะฉะนั้นหน้าที่กับวินัยเป็นสิ่งที่อยู่เหนืออยู่เหนือความต้องการทั้งสองอย่างคือมีหน้าที่จะต้องการไม่ต้องการก็ต้องทํา เป็นหน้าที่การปฏิบัติธรรมก็เป็นหน้าที่แบบนั้นทุกคนมีหน้าที่แบบนั้นคือเราต้องเข้าใจว่าศาสนาพุทธเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องของการทำดีไม่ใช่เรื่องของการที่เรากำลังจะต้องทำดีศาสนาพุทธเป็นเรื่องของการดูเหนือ ดีสี่หนึ่งสิ่งที่พวกเรากําลังทํามันอยูอ่นนี้เรียกว่าไปเหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาสเหนือของคู่ทั้งหลายที่ที่เราชอบลงความเห็นตัดสินกันตลอดดีไม่ดีผู้สนอภิสนอะไรพวกนี้เราไปพ้นมนันอีกจริงถ้าเรา ไปคิดว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะกําลังทําดีเราต้องการทําดีเราเลยปฏิบัติธรรมอันนี้ไม่ใช่ศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาของการที่ฝึกให้คนเนี่ยเห็นความจริงตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเห็นความจริงของโลกใบนี้ เห็นความจริงของศัจธรรมเข้าใจสภาพเหนือโลกปรมัดแล้วก็เข้าใจสมมุติด้วยเข้าใจสมมุติด้วยเพราะนั้นศาสนาพุทธอันนี้ไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีของ ที่เราชอบเรียนรู้กันว่ามีตัวตนไม่มีตัวตนอะไรพวกนั้นการเรียนรู้ทฤษฎีเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเราเรียนรู้โดยอาศัยความคิดความคิดเฉยๆว่ามันไม่มีตัวตนสันจธรรมี่แท้จริงมันไม่มีตัวตนแล้วเราก็ไปเบล์มคนที่ไม่ปฏิบัติแทนว่ามันมีตัวตน การทำแบบนี้คล้ายๆว่าเราเลือกข้างเชยทฤษฎีเหล่านี้มันเข้าไปในสมองแล้วเราก็เลือกข้างาเอ้ยสิ่งที่พระเจ้าพูดนี่ถูกมันไม่มีตัวตนมันต้องไม่มีตัวตนไอมีตัวตนนี่ไม่ถูกนี่แยกเลยใช่ไหมเราแยกถูกแยกผิดอีกแล้วไอ้มีตัวตนเป็นผิดไม่มีตัวตนเป็นถูกอีกอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่พระเจ้าสอนนี่เหนือกว่านั้นโหมาหาศาลคือพระเจ้า สอนที่อยู่เหนือสิ่งทั้งสองแล้วก็เข้าใจมันด้วยว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เราจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงยังมีความเห็นผิดเราเข้าใจได้ก็ เ, ออเขายังไม่รู้แบบนี้เ้ายังไม่เข้าใจแบบนี้แล้ว เ, เข้าใจถึงสัจธรรมได้เพราะอะไรอ๋อเพราะมีคนบอกเราคนสอนเราเราลงมือปฏิบัติทำรรเราเข้าใจสัจธรรมได้เราเข้าใจตัวเองได้เข้าใจคนอื่นได้ ถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเข้าใจตัวเองไม่เข้าใจคนอื่นอันนี้ไม่ใช่แหละมันจะอยู่เหนือขึ้นมาเพราะมันเหนือขึ้นมาปุ๊บมันจะเกิดความเข้าใจทุกคนได้มันจะไม่ไปเจออะไรแล้วก็ตัดสินเขาว่าเป็นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันไ ม, ไม่ถูกอย่างนูไม่ถูกอย่างงี้ไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิไม่มีอคติ ที่จะไปไปว่าไปไปพูดไม่ดีเพราะนั้นศา ส, สนาพุทธทุกคนต้องเข้าใจให้ถูกว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจความเข้าใจตัว น, นี้สำคัญมากเข้าใจไม่เข้าไปในใจเราไม่ได้เข้าสมองเรา ถ้าเมื่อไร่ธรรมะทั้งหลายที่เราพวกเราเรียนรู้กันมาเนี้ยมันเข้าสมองเรานี่มันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นทฤษฎีใช่แล้วเราก็แค่เลือกข้างย้อนบัตรเราเอาทฤษฎีนี้ถูกไปให้พ้นทฤษฎีเหล่านั้นอีกทีหนึ่งพื่อการปฏิบัติธรรมพื่อการเข้าไปประจักษ์แจ้งด้วยใจตัวเองศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาของการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านจงมาลองดูเถอด มาลองดูนี่หมายความว่าต้องประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองต้องทำด้วยตัวเองความคิดจะพาเราคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นทฤษฎีว่าไงล้วก็คิดอย่างเดียวคิดแล้วไม่มีวันจบคิดแล้วไม่มีวันได้คำตอบทั้งหมดเพราะความคิดที่เป็นมายามายาก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่ามายาจากอวิชชาก็ปรุง ปรุงไปไรก็ได้ปรุงจนไปเป็นเห็นโลกเห็นสวรรค์เห็นผีเห็นเท ว, วดาปลุงจนน่ากลัวความรู้สึกตัวนี้เป็นรากฐานสำคัญถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราไม่มีความรู้สึกตัวนี้เราจะหลงไปในมายาแบบนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้นใครพูดก็ไม่เชื่อ นิมิตเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้มันอาจจะจริงก็ได้แต่ให้เราเชื่อไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งเชื่อสังเกตกับความปรุงแต่งนี่ปรุงอะไรก็ได้ปรุงได้โอ้โหเหมือนจริงนะ่าเชื่อถือจนเราหลงเข้าไปวนเวียนกับอารมณ์แบบนั้นเพราะเราต้องเข้าใจว่าความรู้สึกตัวนี้เป็นสิ่งที่เป็นของจริง เป็นของจริงเป็นของที่เรารู้สึกได้ด้วยตัวเองการจะทำกรรมฐานแบบไหนก็ตามถ้าเราขาดความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยคิดแน่นอนท่านเขมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนหลวงพ่อเทียนมีลูกศิษย์คนชื่อลอนนี่บอกลอนนี่นี่เดยจงกลมทั้งวันทั้งคืนกับหลวงพ่อเทียนไม่นดไม่หลับไม่นอนเลยวันหลอนนี่ก็ตาลอย ผมพัเทียนที่เป็นมะเร็งนอนทั้งเคมากลบวไปเรียกผมพัเทียนผมพัเทียนลุกมาปุ๊ต๊บุ๊กตั๊เหมือนคนไม่ป่วยเลยทั้งเคมาแล้วรีบไปหาลอนนี่เดินเข้าไปจงมือรอนนี่เลย้ปีบบีบนือรู้สึกไหมผมพัเทียนรู้สึกไหมจนรอนนี่นี่กลับมาความรู้สึกตัวนั้นมันกลับมาชีวิตนี่กลับมา เราไม่ีความรู้สึกตัวที anyway ่ผมบอกเหมือนเราเป็นซอมบี้เราเดินได้แต่เราเป็นซอมบี้หลว่าเทียนนี่เรียกความรู้สึกตัวรอนนี่กลับมารอนนี่กลับเป็นปกติได้ท่านเขมานัน้าถามหลวก็เทียนตอนนั้นว่าถ้าเราช่วยเขาไม่ทันจะเป็นยังไงหลว่อเทียนบอกว่าถ้าช่วยเขาไม่ทันเขาก็จะเป็นของคนอื่นเป็นของวิชาทิฏฐิกันเป็นของคนอื่นคืออะไร อยู่ในโลกของมายาอยู่ในโลกของวิชาทิฐิอยู่ในโลกของความปรุงแต่งอยู่ในโลกความหลงไม่แล้วนี่เรียกกับมไม่ได้เลยจนสุดท้ายเสียสติเพราะนั้นความรู้สึกตัวเป็นรากฐานสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้ทาอะไรก็ผิดหมดความรู้สึกตัวที่เราปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นลักษณะของผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องเบิกบานด้วยเราปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเราไม่เบิกบานให้เรารู้สึกไว้ว่าเราอาจจะกำลังกดข่มบังคับเพ่งอะไรอยู่เรามีเรามีมาสของนักปฏิบัติธรรมอยู่เรากาลังทาอะไรบางอย่างอยู่ที่ผมพูดตลอดว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสิ้นของงานปฏิบัติธรรมมีขั้นตอนเดียวคือไม่ต้องทำอะไรรู้อย่างที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นปุตุชนอริยชนทำแบบเดียวกันหมดเพาะนการปฏิบัติธรรมไม่มีขั้นไม่มีตอนรู้อย่างที่มันเป็นรู้ด้วยจิตที่มันว่างจิตที่มันเป็นปกติจิตที่มันเป็นปกติต เ, ปปกตเป็นพื้นฐานเราก็รู้ก็เห็นอะไรมันจะเป็น การรู้การเห็นที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิพอประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาที่เหลืออีกเจ็ดองนี้เกิดขึ้นทันทีพร้อมกันนี่จะเป็นนั่ง ท, ทําตีเราสัมมารเราไปนั่งทําตีเราสัมมาเราทำอีกแล้วใช่ไหมเราทําอีกแล้วชีวิตไม่เคยหยุดทําเลยทําอย่างเดียว เราจะปฏิบัติธรรมเราต้องทําอย่างนี้ทําอย่างงงทําอย่างงั้ น, น, นเนี่ยผมบอกว่าเราไปเรียนรู้ทำมา้าเราเอาทฤษฎีเข้ามาใส่หัวทำม้ากลายเป็นทฤษฎีไปแล้วแล้วเราก็จะไปทำมันถ้าเมื่อไหร่ที่ทำม้เข้ามาเป็นทฤษฎีในสมองเราไม่ต่างกับ positive top เท่ากันเลยอยู่ในความคิดเหมือนเดิมเรากำลังเดินเส้นทางใหม่เปิดเส้นทางอริยมรรคโอ้โหชื่อสถียรอริยมรรคทำเหมือนเดิม <laughs> กำลังไปสู่ความเป็นอริยาบุคคลแต่ทำเหมือนเดิมจะเป็นยังไงก็เป็นบุคคลเหมือนเดิมเท่านั้นถ้าเรายังทำเหมือนเดิมวิถีชีวิตเรายังเหมือนเดิมวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนที่สนใจปฏิบัติธรรมเนี่ยจะปฏิบัติธรรมให้มันก้าวหน้าเราต้องเลือกองค์ประกอบชีวิตเราเนี่ยให้มันดีที่สุด มันเหมาะสมที่สุดเท่าที่เราทําได้ชีวิตของทุกคนไม่ยาวเราทุกคนนี่เป็นเคยเป็นคนควจะมารู้เรื่องแบบนี้อายุสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบจะมารู้เรื่องแบบนี้ผ่านประสบการณ์ชีวิต ผ่านความหลงโลกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วพอเรารู้ทางที่ถูกต้องแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมคิดแล้วเป็นไงโง่ไหมแทนที่เราจะทุ่มเทเวลาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยพาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเราก็ไปทำเรื่องเหมือนเดิมแล้วเราก็บอก โลกธารมต้องทางสายกลางทางสายกลางพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำแบบนั้นทางสายกลางพระพุทธเจ้าหมายความว่าเราอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นคือสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาความเป็นกลางต่อสปรพสิ่งความที่เราอยู่เหนือการตัดสินแบ่งแยก นี่เรียกประทาสายกลางเราอยู่ตรงกลางเราอยู่ตรงกลางแบบนี้ไม่มีอะไรลากเราไปได้ไม่ว่าทรายดีืว่าไม่มีอะไรลากเราไปได้เราทุกไม่ได้จิตใจนี่พ้นไปจากความปรุงแต่งทั้งปวงแล้วมันตัดสินแบ่งแยกอะไรไม่ได้ตัดก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่มีผลอะไรเราเข้าใจหมดอะถูกไม่ถูกดีไม่ดีเข้าใจทาอย่างนี้ชีวิตไม่รอดแน่อะไี้ยเราก็าเห็นรู้เห็นทุกอย่างหมด แต่เราไม่ถูกก็เรื่องของเขาเพราะเด็นทางสายกลางต้องเข้าใจถูกเราเอาโลกชอบเอาโลกเอาเรื่องของโลกกระทำเรื่องของความดีในโลกเอามาฟอสตัวเองเอามาบีบตัวเองว่าเราต้องทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราต้องทําอย่างนี้ก่อนแล้ว พ้นทุ ก, ก่อนค่อยไปทําไม่ใช่ว่าต้องทําอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยไปพ้นทุกข์เรามีหน้าที่สําคัญต้องพ้นทุกข์ก่อนตอนนี้เรายังอยู่ในทุกข์แล้วเราก็จะพ้นทุกข์ภาษาไทยเรียเหียบเรือสองแคมโลกก็จะเอาทันก็จะเอาด้วยเพราะนั้นไงขาต้องฉีดไปไหนไม่ได้ทางออกทางออกเรื่อยๆตายขาฉีดขาด เค่มีคนพูดบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเราอยากพ้นทุกข์นะแต่เราก็อยากได้ความสุขในโลกด้วยพวสุขในโลกเราก็จะเอานะความทุกข์เราก็จะเอานะนี่เหมือนเป็นคนบ้าเหมือนดํากับขาวจะเอาทั้งคู่เพราะฉะนั้นชีวิตทุกคนเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแน่วแน่ะเราต้องการพ้นทุกข์ พ้นทุกแล้วก็ไปทำชานมไข่มุกเพิ่อมอีกร้านไม่ได้พ้นทุกก่อนการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ยากพูดตลอดมันไม่ยากแต่อยู่ที่เราอึดพอที่จะทำให้มันเป็นวิสัยให้มันเป็นวิถีชีวิตของเราเลยได้ไหม ให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราคือการปฏิบัติธรรมทำได้ไหมปฏิบัติธรรมสร้างองค์ประกอบชีวิตให้กับตัวเองเต็มที่ที่สุดแล้วทำอะไรได้ต้องทำทำอะไรได้อย่างเต็มที่ที่จะให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ เหมาะสมเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมต้องทำที่พูดทุกครั้งคือความวิเวกสันโดษอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากหลายคนก็ฟังทำเยอะแล้วก็บอกว่าอืมเราทำงานไปปฏิบัติธรรมไปก็ได้ก็ได้เหมือนกันแต่ได้แค่นั้นไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้ แต่เราหวังแค่ไหนกันเราหวังอะไรเราหวังมีชีวิตดีขึ้นหน่อยหรือเราหวังจะพ้นทุกมีเรื่องถามตัวเองให้ดีบอกปฏิบัติทำแล้วก็ดีขึ้นแล้วพี่ดีขึ้นแล้วพี่ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นใช่แต่ไม่พ้นทุกชีวิตที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่พ้นทุกในชีวิตเป็นเวฟเป็นคลื่นกิเลสพร้อมจะลากเราไปตกต่าได้ตลอดเวลา ลากเราไปผิดพลาดได้ตลอดเวลาวันนี้เราอาจจะโ อ, โอเคมันงโอเคแล้วมันทุกอย่างโอเคแต่วันนึงที่กิเลสถาโถมเข้ามาปุ๊งเราน็อกเลยน็อกลีกพาชีวิต ต, ตกต่ำก็ได้เป็นบ้าก็ได้อย่างสมมติทำธุรกิจขายเสือ้อผ้าโรงงานจะเลิกผลิตให้เหนี่ย อาจจะเป็นบ้าเลยก็ไดทท้ทั้งที่จริงยังมีเงินเหลือไม่รู้กี่ร้อยล้านเออแต่ทำใจไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นความสุขที่แท้จริงที่พวกเราไขว้กันอยู่หากันอยู่บนเนี้ยจะสังเกตว่ามันไม่ใช่เงินเรามีเงินแต่เราก็บ้าได้ถ้าเราเสียใจเราผิดหวัง อะไรก็ตาเราสังเกตคนรวยๆเยอะแยะไม่มีความสุขเพราะความสุขไม่ใช่เงินเพราะนันตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าเราจะได้ความสุขจริงๆคือความพ้นจากทุกไปความพ้นจากทุกไปนี่พวกเราพ้นทุกได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ ในขณะที่เราจิตใจเราไม่มีความคิดปรุงแต่งจิตใจเราปกติอยู่แล้วถึงความพ้นทุกข์แล้วในความพ้นทุกข์นี้เป็นความสุขแล้วศา ส, สนาพูดเราจริงๆเราไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องความสุขเท่าไหร่เพราะโลกนี้ไม่มีความสุขเราพูดถึงความพ้นจากทุกข์เมื่อไหร่เราพ้นจากทุกข์นั่นคือเสุขแล้วความพ้นจากทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่ พวกเราจะจินตนาการไม่ออกเลยความสุขทั้งหลายที่เราปรารถนาอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้ตามกิเลสตัณหาลาคะทั้งหลายมันเทียบไม่ได้เทียบกันไม่ได้เลยเหมือนเหมือนน้ำหนักกระส่วนสูงเป็นคนละมาตวัดเลย เพราะนั้นชีวิตทุกคนต้องการความสุขต้องไปให้มันถูกฐานใช้เวลาที่กำลังมีอยู่ร่างกายกำลังแข็งแรงอยู่มีองค์ประกอบของชีวิตทุกอย่างที่มันพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมที่มันพร้อมที่จะเจริญจิตจเจริญใจเนี่ยทำให้มันเต็มที่เราลอง นึกถึงตัวเองเนี่ยเรามีนักปฏิบัติธรรมในนี้ยี่สิบชีวิตสังเกตตัวเองว่าชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่าซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อยว่าที่เราบอกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติหรือยงังเราได้สร้างองค์ประกอบของชีวิต ที่มันเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมแล้วดนะ้วยกันเราได้เซ็ตเข็มทิศชีวิตของเราเนี่ยให้มันเต็มที่เราพยายามที่จะช่วยเราให้การปฏิบัติธรรมนี้มันจเจริญก้าวหน้าจริงๆโดยทีท่จริงพวกเราเออเราเหยอกันไรื่อยเออก็ไม่ปฏิบัติบุญด้วยกันเดินตรงกรมเช้าเย็นตื่นทีสี่ 4. ค้าในตลาดก็ตื่นปีสามกตื่นเช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องที่เราอยู่ในรูปแบบเราตื่นเช้าได้แล้วเราก็บอกว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเจะเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ต่อเมื่อวันๆเราคิดแต่เรื่องว่าเราจะทำยังไงใช้ชีวิตยังไงที่มันจะเกื้อกูลการปฏิบัติธรรมให้มากกว่านี้ ให้การปฏิบัติธรรมมันเข้าไปอยู่ในสายเลือดเราจนคำพูดที่ว่าเรารู้สึกว่าชีวิตหลังจากนี้ของเราเนี่ยมีหน้าที่เดียวคือการปฏิบัติธรรมมันต้องเข้าไปในเลือดเราแบบนั้นพอเรามีเป้าหมาย แบบนั้นในจิตในใจเราจะทำทุกอย่างจะหาทุกหนทางที่เราจะทำให้เราจเจริญขึ้นให้มันเกื้อกูลการปฏิบัติธรรมเรามากขึ้นเราจะเลิกทำในสิ่งที่มันไม่ไม่จำเป็นเราจะเลิกทำสิ่งที่มันพาเราตกต่ำ จะเลือกทําสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคหลายคนไม่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องของกรรมนี่ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องเล่นลนะกรรเป็นสิ่งที่ต้องรับไม่บอกจะ ก, กรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นสิ่งต้องรัก ถ้าเราอยู่ในโลกนี้เราต้องทำกรรมไม่ว่ากรรมนั้นจะดีหรือจะชั่วก็ตามจิตใจที่อยู่ในโลกด้วยความไม่ปกติผิดปกติอันนี้เป็นต้นเหตุของกรรมเพรา ะ, ะนั้นเราต้องรับกรรมที่เรียกว่าวิบากกรรมแล้วก็วิบากจิตจากความผิดปกตินั่นแหละเราต้องรับทุกอย่างแต่พวกเราตอนนี้เนี่ย คล้ยๆกรรมมันมาช้าชีวิตทุกคนสบายดีไม่มีอะไรพอมันมาช้าพุกเราเข้าใจความน่ากลัวของกรรมไม่ได้ว่าเวลามันมาแล้วแล้วเราต้องรับมันเช่นเกิดเวทนาตางร่างกายต่อให้ใจไม่ทุกข์ในร่างกายมันก็ทุกข์ เอามีดมากรีดเนื้อเราเราก็เจ็บเหมือนกันทุกคนมีต้นทุนสังเกตไหมเรามีต้นทุนที่ดีไม่งั้นเรามีอัตภาพแบบนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์ครบสามสิบสองไม่พิการไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรที่รุนแรงกับเราทำไมเรามีอัตภาพแบบนี้ได้ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยเรามีศีลที่สมบูรณ์ดีพุ่นลึกไปเขาเรียกว่ากุศลและกรร บ, บทชิีเหล่านั้นแต่สิ่งที่ใหญ่กว่าศีลเขาเรียกว่าอาธิศีลคืออะไรคือความเป็นปกติใจิตใจที่เป็นปกตินี่เท่ากับมีศีลเนี่ยคุ้มครองเล เราเกิดขึ้นมามีอัตรภาพแบบนี้ด้วยต้นทุนของการที่เรามีมีสีมาก่อนถามตัวเองว่าทุกวันนี้เรามีสีนขนาดไหนสี น, นี่ในความหมายที่ผมพูดอันนี้ให้เข้าใจว่าเป็นความเป็นปกติบางคนบอไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ติดสีห้าข้อก่อ พระพุทธเจ้าบอกมีสีนสองร้อยิบเจ็ดจะลำบากแล้วเพราะฉะนั้นอธิสีมคือความเป็นปกติชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาเอาเอ า, เอาแค่นี้ก็พอผิดปกติขนาดไลองดูวันวันผิปนดปกติกับปกตินกี่เปอร์เซนต์ความผิดปกติอันนั้นชีวิตกําลังขาดทุนชีวิตเรากําลังขาดทุน ทุนที่เรากาลังได้มาในชีวิตนี้อัตภาพนี้เรากาลังใช้อยู่แล้วเราก็ใช้ไปนในทางอะไรผิดปกติเท่ากับว่าเราใช้ทุนเดิมเรากาลังขัดทุนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราขัดทุนตลอดชีวิตจะเป็นไงสมมติว่าชาติหน้ามีจริงต้องเกิดใหม่คิดเราจะได้เหมือนเดิมไม่มีทางไม่มีทาง เป็นคนดีก็เหอะคนดีที่ปกติเยอะแยะคนดีก็ด่าคนชั่วเพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักชัดว่าชีวิตของเราทุกคนกำลังขาดทุนตลอดชีวิตที่ขาดทุนตลอดจะเกิดผลที่เหมือนเดิมไม่ได้จะต้องแย่ลง เราอาจจะรวยชาตินี้ชาติหน้าไม่แน่เราอาจจะครบสามจุดสองชาตินี้ชาติหน้าไม่แน่เรือชาตินี้ชาติหน้าเป็นสิ่งที่อันนี้หมายถึงว่าเราเรียนรู้กันมาแบบนั้นอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่ามันจะมีไม่มีก็เป็เรื่องแต่ว่า เป็นการเปรียบที่ได้เห็นไว้เรากาลังใช้ชีวิตอย่างขาดทุนอยู่ถ้าเราใช้ชีวิตในทางขาดทุนอยู่อนาคตดีไม่ได้ไม่ต้องเรียกชาติหน้าเอาพรุ่งนี้ก็พอมีคนไปถามหลวงพ่อชาว่าหลวงพ่อชาติหน้ามีไหมหลวงพ่อชาถามว่าพรุ่งนี้มีไหม คนตอบมีพ่อชาบอกถ้ามีก็มีถ้าตอบพวกนี้ไม่มีก็ไม่มีก็ได้เป็นเรื่องรู้เองเอาไว้รู้เอ ง, ไ ม, เองไม่ใช่เรื่ต้องหาคําตอบแต่สิ่งที่เราต้องรู้ตอนนี้คือว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราทําดี เป็นปกติสุกดีอนาคตดีแน่สังเกตภาษาไทยนี่ไหมปกติสุปกติถึงจะสุขไม่ใช่สุปกติเห็ไหมมี <laughs> คนไทยก็เก่งเข้าใจธรรมะขอให้มีความเป็นปกติสุปกติมันถึงสุขเพราะนั้นเราก็อย่าใช้ชีวิตที่มันขัดทุน ขัดทุนกันมาเยอะบางคนรู้ธรรมะก็ยังขาดทุนอยู่ขัดทุนไม่เลิก